بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين اللهم ص ل و, و ص س ل م على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين سبحانك لا ع ل م ل ن ا إ ل ا معلمتنا إنك أنت العلم الحكيم รับช رح لي صدري وييسر لي أمري وحل العقدة تم اللسان يقه ي ف قولي اللهم فعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا زدنا علما ربنا ضامنا أنفسنا وإن لم توفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين ربنا آتنا من د ن ك رحمة وحي لنا มนเอ็มเรนารัชดา الحمد لله, อินชาอัลลอฮ์วันศุกร์ที่สิบแปดณที่นั้นท้าสุดท้ายนะครับแล้วเราก็เหลือเวลาสําหรับเดือน شعب ันสัปดาห์นี้เป็นสัปดาห์แรกนะครับเหลืออีกสามคาบหรือว่าสาสามสัปดาห์เนี่ยอ่าอาทิตย์หน้าอาจจะมาทบทวนเรื่องบทบัญญัติเกี่ยวกับการถือศีลดสักนิดหนึ่งอินชาอัลลอฮ์แล้วลองดูซิว่าจะใช้เวลา สองหรือสามสัปดาห์เราค่อยมาคุยกันนะครับวันนี้มาอ่านกันก่อนสุรทูสบายาที่สี่สิบหกเดี๋ยวจะอธิบายอินชาอัลลอ์ให้จบสุรทูเลยในค่ำคืนนี้บิอิสนลละสี่สิบหกนะครับ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم قل إنما أ ع ظ ك م بواحد ة أن تقوموا لله م ث ن ا وفراد ثم تتفكروا ما بصاحبكم من อินเนห์อินหัวอิล a ่านธีรุลล์คุ قل ما سأتكم من أجر فهو لكم إن أجري إلا على الله وهو َُ وه على كل شيء شهيد قل إن ربي يقذف ُ بالحق ِ علّام الغيوب قل جاء الحق وما يبدؤ ا ل ا ط ل وما يعيد قل إن ظللت فإن นั่นแหละท ن ่ฉ ي น ت ُ ف َ ب ِ م วเองสับสนหาก ي ันห อินนุสัมยุ่ง قرب อัลฮัมดุลิลลาฮ์เล่าอีกสามคนเรื่องราจะอธิบายจบอินชาอัลลอฮ์กลินมาอ้ายดุคุมบีว่าหิดะตอนจบของสุราแล้วเป็นบทสรุปแล้วก่อนหน้านี้ เป็นการพูดคุยเป็นการเจรจาเป็นคำสั่งที่อัลลอฮฺสุบฮานวะตะละสั่งให้ท่านนบีตอบโต้พวกมุชริกินที่กล่าวหาหรือที่ใส่ร้ายหรือยกข้ออ้างต่างๆแล้วอัลลอฮฺตะลาก็สอนให้ท่านนบีตอบโต้กลับไปเวลาที่พวกมุชริกินส่งข้อมูลมาอย่างนี้จะตอบไปอย่างไร แต่พอมาถึงในตอนท้ายของสุรษเนี่ยไม่มีการตอบโต้แล้วแต่เป็นการตอกย้ำจำได้ไหมคาว่ากุลสุรษนี้มีกุลเยอะมากอันนี้เป็นตอนจบแล้วกุลในตอนจบเนี่ยเป็นการที่สั่งให้ท่านนาบีปิดการขายปิดการเขาเรียกว่าปิดปิดภารกิจจบและไอ้ที่คุยกันเจรจากันเนี่ย โต้ตเถียงกันไปมาเนี่ยจบแล้วตอนนี้ตอนนี้จะปิดละคําสั่งเสียปิดพิธีนะฮะคกล่าวปิดพิธีปิดโซระเนี่ยรัตตะลาสั่งให้ท่านอนปิดุลเี้ว่ายงงไงให้พูดนนะุอ um ah ิ่าออุุมบวจงกล่าวเถิดมุฮัมมัดฉันขอตักเตือนเห็นไหมสั่งเสียตักเตือน เพราะว่าจะปิดท้ายแล้วไม่อยากพูดแล้วหลังจากนี้จะเชื่อฟังหรือไม่ฟังเนี่ยเป็นหน้าที่ของเจ้าแล้วฉันจะตักเตือนฉันจะบอกสิ่งที่ฉันจะต้องบอกเนี่ยจบแค่นี้แล้วอินนามอิซุคุมเบลวาฮิดะมีแค่เรื่องเดียวเท่านั้นที่จะฉันที่ฉันอยากจะตักเตือนพวกเจ้าฟังให้ดีเพราะฉะนั้นสำคัญมากอิซ um ah ุคุมบลวาฮิดะฉันจะสั่งเสียเจ้าโอ้พวกมุสลินทั้งหลายแค่เรื่องเดียว เรื่องอื่นที่เราคุยกันเป็นส0บสเรื่องเนี่ยถ้าเจ้าเอาแค่เรื่องเดียวนี้อยู่ก็จะได้ผลที่น่าพอใจอะไรคือเรื่องเดียวที่อัลลอสั่งให้ท่านนบีพูดกับบรดามบชริกินเรื่องเดียวที่ว่านั้นก็คืออันตะ قوم لله مسنا وفرادا ثم تتفكرو จงยืนขึ้นเพื่อลล l a h คำว่ายืนขึ้นเพื่อล l l นี่หมายถึง ให้พวกมุสลิกินสแสวงหาความจริงอย่ามัวแต่นั่งทะเลาะกันอย่ามัวแต่นั่งดราม่ากันลุกขึ้นยืนไปสแสวงหาความจริงหมายถึงให้จบเรื่องราวต่างๆที่สาดกันไปสาดกันมากล่าวหาใส่ร้ายกันมาเนี่ยเอาความจริงมาพูดดีกว่าไหมอยากจะหาความจริงไหมถามใจตัวเองว่า ที่ทะเลาะกันมาตลอดมาเนี่ยตลอดเวลาเนี่ยพวกเจ้าต้องการความจริงหรือเปล่าหรือแค่ต้องการทะเลาะกันต้องการโต้เถียงกับท่านนบีสุลละลลฮอะลัยซัลลัมอย่างเดียวแต่ใจจริงไม่ได้อยากจะหาความจริงเอาจริงได้ไหมเอาถามใจของตัวเองจริงๆว่าฉันอยากจะหาความจริงอยากจะหาความจริงแล้วก็ไคครวญซุมาตาตาฟักกรุแสวงหาความจริงตรงนี้ อาจจะแสวงหาคนเดียวหรืออาจจะช่วยกันมัสนานเนี่ยไหมถึงว่าหลายหลายคนแสวงหาความจริงหลายคนช่วยกันแสวงหาช่วยกันถกช่วยกันเอ่ออะไรนะไปดูไปคิดไปปรึกษาหารือด้วยใจที่เป็นธรรมด้วยใจที่ไม่มีอคติด้วยความที่ไม่มีลำเอียงได้ไหม นะขอแค่เรื่องนี้เรื่องเดียวเพราะเพราะว่าอิสลามไม่กลัวใครที่แสวงหาความจริงด้วยความบริสุทธิ์ใจเขาจะเจอกับความสัต์จริงของอิสลามอย่างแน่นอนเราไม่กลัวว่าคนอื่นจ ะ, ะหาเราจะหาสัจธรรมไม่เจอเพราะอิสลามคือสัจธรรมอยู่แล้วปัญหาก็คือไอคนที่หานี่มันอยากจะแสวงหาจริงหรือเปล่าขอให้บริสุทธิ์ใจในการแสวงหาความจริงสุดท้าย วันปลายสุดท้ายยังไงยังไงก็ต้องเจอกับอัลอิสลามที่เป็นสจธรรมจากอัลลอฮ์ุบฮานรตาต์อละอย่างหลีกไม่พน้นเพราะฉะนั้นขออย่างเดียวได้โปรดทำใจให้สะอาดบริสุทธิ์ได้ไหมทำหัวใจให้เป็นธรรมอูมูลิลลัตหมายถึงเพื่ออัลลอฮ์เพื่อหาความจริงโดยที่มีอคติไม่มีผลประโยชน์ไม่มีความยิ่งเยาโส ไม่มีอะไรใดๆทั้งสิ้นอยู่เบื้องหลังแต่ต้องการจะรู้จริงๆว่าอันไหนคือความจริงถ้าเป็นความจริงก็รับถ้าไม่ใช่ความจริงก็ทิ้งก็แค่นั้นขอให้มีใจแค่นี้นี่คือสิ่งที่นะครับละตั๋ลสั่งให้ท่านนบีประกาศมาตั้งแต่วันนั้นวันนี้เราก็จะประกาศอย่างนี้นะใครที่กำลังดูถูกกาลังใส่ใครกาลังประทุษร้ายศา ส, สนาขอ Allah ุ u b h a n a h ว wa ะขอร้องได้ไหม ละทิ้งไอ้ความอคติทั้งหมดแล้วมาร่วมกันแสวงหาด้วยใจที่เป็นธรรมสุดท้ายถ้ามนุษย์แสวงหาความสัจจริงด้วยใจที่เป็นธรรมสุมาตตาฟการูแล้วก็ใครครวนใช้สติปัญญาในการคิดไตรตรองให้ดีเนี่ยผลลัพธ์ที่ออกมามันจะหนีไม่พ้นนะครับมันจะต้องยอมรับว่าสิ่งที่ท่านนบีสลต่าอะลัยวะสัลลัมนมา ไม่ใช่เรื่องไม่ใช่เรื่องอะไรนะไม่ใช่เรื่องโกหกไม่ใช่เรื่องข่ำข่ำเพื่อเรื่อไปไร้แกนสารไม่ใช่ไม่ใช่เรื่องที่คนที่บ้าหรือว่าคนเสียสติเหมือนที่พวกมุชลิมีนกล่าวหาท่านนาบีสุลต่ละไม่ใช่เมื่อผู้ศรัทธาขอิบจ้ามป็นจิตแลวพวกเจ้าก็จะประจักษ์ว่าสหายของเจ้านั้นไม่ได้บ้า สหายของเจ้าคือใครก็คือท่านนาบีสุลต่านอะหอเลวัซัลละเป็นไปได้อย่างไรสี่สิบปีท่านนาบีมีชีวิตอยู่ที่มักกะคนในมักกะไม่มีใครปฏิเสธเลยว่าท่านเป็นคนดีเป็นคนที่พูดสัต์จริงเป็นคนที่ไม่เคยโกหกแล้วไปอยู่ดีดีท่านบอกว่าท่านเป็นรอซูลของอัลลอฮ์เรียกร้องให้คนมักกะเนี่ยกลับไปศรัทธาต่ออัลลอฮ์กลับโดนกล่าวหาแล้วสี่สิบปีที่ผ่านมาคืออะไรเพราะฉะนั้น คิดให้ด um ีท่านนบีจะเป็นคนบ้าได้อย่างไรท่านนบีจะเป็นเสหเป็นซาฮรเป็นนักมายากลได้อย่างไรเป็นไปไม่ได้ท่านนบีจะเป็นหมอดูได้อย่างไรเป็นไปไม่ได้ไม่มีคณลักษณะเหล่านั้นในตัวของมุฮัมมัดสัลลัลลอฮุอะลัยฮิลมคิดให้ดีด้วยใจเป็นธรรมอินวอิลลานซีรุลลกุมบนยะไดอบีมุฮัมมัด เขาไม่ได้เป็นอย่างอื่นอย่างใดเลยนอกจากเป็นเพียงผู้ตักเตือนพวกเจ้าเตือนให้นึกถึงอาคิร์เตือนให้กลัวการลงโทษของ Allah Subhanahu ะะในนรกใบนยะไดอาซาบินชดัดดีให้ลึกถึงการเผชิญหน้ากับการลงโทษในวันอาิีร์เท่านั้นนี่คือความจริงถ้ามนุษย์เสวอหาจริงๆก็จะต้องพบกับผลลัพธ์เช่นนี้อย่างแน่นอนแต่ไอ้ที่ มีปัญหาก็คือการแสวงหาไม่ได้เกิดจากความตั้งใจไม่ได้เกิดจากความบริสุทธิ์ใจแต่เกิดจากความอคติเกิดจากความลำเอียงเกิดจากการตั้งแง่ น, นู่นนี่นั่นโดยที่หัวใจไม่ได้แสวงหาความจริงแล้วตัวอย่างมันก็มีตัวอย่างคนที่แสวงหาความจริงด้วยความบริสุทธิ์ใจกับคนที่ไม่ได้ตั้งใจจะแสวงแวางหาความจริงเนี่ยตัวอย่างมีทุกยุคสมัย สมัยท ah ่านนบีก็มีบรรดาสาวบ้าทีรับอิสลามเพราแสวงหาความจริงมาชาอัลลอฮ์ง่ายๆเลยอุมรอิุลฟังอัลกุรอานไม่เหมือนกับอบดุลฮัลที่ฟังอัลกุรอานอบดุลฮัลก็ฟังอัลกุรอานอุมรอิุละก็ฟังอัลกุรอานแต่ทาอุมรึงรับอิสลามขณะที่อบฮัลไม่รับอิสลามคนนี้อย่าลืมนะครับว่า อยู่ในดูอาของท่านนาบีสุลล่ามทั้งสองคนท่านนาบีเคยขอดูอาอยาอัลลอ์ได้โปรดสนับสนุนอิสลามด้วยอุมารหนึ่งในสองคนอัมรุบนลฮักมอบุจาฮัลเนี่ยชื่อจริงคือชื่ออัมรนะก็เป็นคนระดับท็อปในสังคมมักกะอีกคนหนึ่งก็คืออุมารอิมลคัตตาสองคนนี้ ระดับไล่เลี่ยกันเลยในสังคมมักกะพระนามพี่ขอดุดมอยาอัลลอฮ์ขอให้อิสลามเนี่ยมีผู้ปกป้องดูแลจากขอสักสักคนในสองคนนี้ก็ยังดีอ่ะแล้วทั้งสองคนนี้มาชาอัลลอฮ์ตักดีรขออัลลอฮ์แต่ละตกไปที่ใครตกไปที่อ um ุม า, าราอิมุลขัตตบริยัลลอฮอัซึ่งทั้งสองคนนี้ฟังอัลกุรอานทั้งหมดนะอบูยะฮฺก็ฟังอัลกุรอานอุมารก็ฟังอัลกุรอานแต่อบูญะฮฟังอัลกุรอานแบบไหนอุมารฟังอัลกุรอานแบบไหน ทั้งสองคนสแสวงหาสัจธรรมไม่เหมือนกันอุมั์ฟังอัลกุรอานแสวงหาสัจธรรมด้วยความจริงใจในขณะที่อบุจหลฟังอัลกุรอานของท่านนาบีเพื่อที่จะไปทำลายเพื่อที่จะไปก่อกวนเพราะฉะนั้นผลลัพธ์มันจึงไม่เท่ากันปัจจุบันนรามีบรรดาผู้คนที่รับอิสลามทั่วโลกตอนนี้ไปดูเลยมีคนที่ศึกษาอิสลามถึงขั้นเป็นด็อกเตอร์เป็นโปรเฟสเซอร์แต่ไม่ได้รับอิสลาม เพราะอะไรเพราะไม่ได้ตั้งใจที่จะเรียนอิสลามเพื่อรับอิสลามแต่เพื่อที่จะมาหาจุดอ่อนเพื่อที่จะมาหาข้อสงสัยเพื่อที่จะมาทําลายศา ส, สนาอัลลอฮฺ سبحانه และ تعالى ในขณะที่บางทีชาวบ้านธรรมดาธรรมดาคนปกติธรรมด า, ค น, รรมดาคนที่เคยเลวมาก่อนคนที่เคยสุดๆมาก่อนแต่ฟังอัลกุรอานอายัดสองอายัดด้วยหัวใจที่เป็นธรรมกับกลายมาเป็นมุสลิมที่ยึดมั่นในศาสนาอัลลอฮฺ س ب าน ن ه และ تعالى เพราะฉะนั้นตรงนี้สําคัญ อูมูลิลลาสแวงหาสัจธรรมด้วยอัลลอฮ์เพื่ออัลลอฮ์ไม่ใช่เพื่อผลประโยชน์ไม่ใช่เพื่ออะไรต่างๆ น, า น, านาั้นนะที่เป็นอคติอยู่เบื้องหลังนี่คือสิ่งที่ท่านนาบีถูกอะไรนะคําสั่งให้บอกแก่นมนุษย์ทั้งหมดและมนุษย์ในยุค ข, ของท่านก็คือพวกมุชลิมีขอสังเสียแค่หนึ่งเรื่องอินนามะอิบุกลมเบวาฮิดะได้ไหมพวกมุชลินทั้งหลายได้ไหมพวกเจ้าเอาเรื่องนี้เรื่องเดียวได้ไหม เรื่องอื่นพวกเจ้าไม่ฟังก็ไม่เป็นไรฟังเราเรื่องนี้เรื่องเดียวหรือมนุษย์ปัจจุบันนี้กับบรรยกาอินนามะอันุกิวาิดะฉันขอพูดคำนี้คำเดียวได้ไหมเรื่องอื่นพวกเจ้าไม่เอาก็จางหัวไปแต่เรื่องนี้เนี่ยพวกเจ้าเอาสักหน่อยได้ไหมแสวงหาความจริงด้วยใจที่เป็นธรรมอันนี้คือกุลอันที่หนึ่งกุลอันที่สอง ก, กุลมะ س أ ุคุมินอัจรินฟะฮวะลคุม จงกล่าวเถิดมุ hammad ไม่มีรางวัลอันใดที่ฉันจะขอจากพวกท่านเพราะมันเป็นของพวกท่านอินอะจริยาอิลลาอาลลอฮ์โฮูอาลาคุลีเชยินชาฮิดรางวัลของนนอท่านยุติอัลลอฮ์และพระองค์ทรงเป็นพยานในทุกๆสิ่งอายัดนี้หมายความว่าอย่างไงให้ท่านนาบีบอกกับพวกมุชลีกีนว่าที่ฉันพยายามทั้งกลางวันทั้งกลางคืนในการดะาว่าเชิญชวนพวกท่านเนี่ย ฉันไม่ได้อยากได้อะไรนะอยากเข้าใจผิดอยากเข้าใจผิดว่าเวลาที่พวกท่านรับอิสลามเวลาที่พวกท่านเชื่อใช้แล้วเนี่ยพวกท่านต้องจ่ายสวยให้กับฉันต้องจ่ายค่าจ้างให้กับฉันไม่มีไ ม, ม่ต้อง่า น, นะครับรางวัลของฉันในันจะรอรับจากอัลลอสุบฮานตะอละเพราะว่าบางทีนักกลัวว่าอาจจะมีความคิดแผลงๆที่ว่าเออถ้าเราเป็นมุสลิมถ้าเรารับอิสลามแล้วเนี่ย เราต้องจ่ายค่านู่นค่านี่เพราะนะเป็นเป็นเป็นลูกน้องเขาเนี่ยต้องต้องจ่ายคืนให้กับเจ้านายต้องจ่ายาให้กับบัวหน้าเป็นบรรณาการหรือเป็นนู่นเป็นนี่ไม่มีในอิสลามไม่มีเรื่องแบบนี้ไม่ต้องจ่ายนะไม่มียกเว้น z a ก a t ซึ่งเป็นความรับผิดชอบที่ไม่ได้จ่ายให้กับไม่ได้จ่ายให้กับคนที่เป็นเจ้าลัทธิหรือไม่ได้จ่ายให้กับคนที่เป็นเราซู้อใจให้กับใครจ่ายให้กับคนที่มีสิทธิ์จะได้รับคนยากคนจน z a กา t ไม่ใช่สวยแต่ z a กา t เป็นการเขาเรียกว่าประกันการประกันสังคมการช่วยเหลือสังคมนะครับเพราะฉะนั้นอย่าไม่ใช่อัจร z a กา t นี่ไม่ใช่อัจรในอายัดนี้ใช้คำว่า min ajarin อ j จริ n ก็คือค่าตอบแทน z a กา t ไม่ใช่ค่าตอบแทน z a กา t เป็นส่วนหนึ่งที่เราจ่ายจากทรัพย์สินของเราไม่ได้เกี่ยวกับค่าตอบแทน น, นี่ต้องเข้าใจให้ดีเพราะฉะนั้น พูดมาสั่งุกุมมินอาจรการที่คนคนหนึ่งมาเป็นมุสลิมไม่ต้องใจอามิดสินจ้างให้กับผู้นาให้กับคนเป็นนบีหรือให้กับไม่มีนะครับอัลลอฮฺแต่เราเป็นพยานได้ในเรื่องนี้กลันรับบียัด้ฟบัลฮัตตัลลัมุลกุยุอัลลอฮฺบอกอันนี้อันนี้เข้มข้นมาก อันนี้นี่เป็นการประกาศเลยว่าในท้ายที่สุดเป็นกฎเกณฑ์ที่อารักตะอลาบัญชึกเอาแ ล, าล้วว่าความจริงจะต้องพ ง, งาดอย่างแน่นอน a บบียัก r ิฟ b บิล<ง> b ักจงกล่าวเถิดว่ามุฮัมมัดว่าอัลล์พระเจ้าของฉันจะสรงทาลายความเท็จจะใช้ความจริงในการทำลายความเท็จ อัลลามุลลุกอุยพระองค์เป็นผู้ทรงรอบรู้ในสิ่งเร้นลับทั้งหลายนี่คือกฎเลยไม่ว่าสักวันหนึ่งวันนี้อาจจะเห็นว่าสัจธรรมอ่อนแอต่ำเลยหรืออะไรก็แล้วแต่อาจจะเป็นเพราะปัจจัยอะไรสักอย่างหนึ่งแต่สุดท้ายสัจธรรมย่อมจะต้องอยู่เหนือความแทจอัลฮักจะต้องโดดเด่นเหนืออัลบาติน เพราะลอตตาลาสมรดีบางทีเราอาจจะเห็นเฉพาะตรงหน้าที่เราเห็นประชาชาิอิสลามอยู่ในสภาพที่อ่อนแอในยุคปัจจุบันแต่วันหนึ่งลอตตาลาจะให้สัจธรรมของพระองค์อยู่โดดเด่นอย่างแน่นอ น, นเหตุการณ์ในช่วงหลังๆนี้มีอะไรแปลกๆเดี๋ยวคอยดูก็แล้วกันว่าจะเกิดอะไรขึ้นถ้าลอตส์บาลตตาลาต้องการให้สัจธรรมของพระองค์พัฒนาขึ้นมาวันไหน มันไม่ได้ยากมากนะดูสิ่งที่ไม่น่าเชื่อห้าสิบกว่าปีประเทศที่อยู่ภายใต้การกดขี่ของผู้นำที่อาธรรมแต่เวลาที่มันจะเปลี่ยนไม่ถึงปีไม่ถึงเดือนด้วยซ้าเพราะฉะนั้นอยากคิดว่ามันเป็นเรื่องยากสำหรับอ ja, ัลลอฮ์อัลล์กุลจกุลยักซีฟุรบบีกุลยักซิฟุกุลอินับบียากซฟุบิล حق อัลลอฮ์ตะละเอาความจริง แลวเวลาที่ความจริงมาเมื่อไหรความเท็จก็จะต้องมาลายุลจ์อ ja ัลฮักก์จงกล่าวเถิดมุฮัมมัดเมื่อความจริงได้ปรากฏขึ้นวมายุบดิอุลบาิลวมายูอด uh สิ่งที่เป็นความเท็จก็จะไม่เหลือร่องรอยก็ไเรียกว่าตายไปแล้วไม่เกิดอีกดับไปแล้วไม่ฟื้นอีกไม่สามารถก่อให้เกิดร่องรอยอะไรได้เลยนี่คือ คือว่าสุนนตุลลอฮฺซาาวะที่ a ล l a h ตักําหนดมาในโลกนี้อัลฮักกับอัลบาติลเนี่ยมันอาจจะหมุนเวียนเป็นวงล้อตอนนี้วงล้อระหว่างสองอย่างนี้อาจจะอัลฮักอาจจะอยู่ข้างล่างแต่วันหนึ่งมันจะต้องหมุนขึ้นไปข้างบนแน่นอนอาจจะมีการสับเปลี่ยนกันบ้างแน่นอนเป็นเรื่องปกติแต่สุดท้ายแล้วอัลฮักจะต้องมา แล้วเมื่อไรที่ الحق มาอับาิลก็จะหายไปอับาิลในอันนี้เนี่ยมีการตัฟวีรค่อนข้างที่จะหลากหลายบ้างก็บอกว่าหมายถึงชัยตอ น, นเวลาที่ความจริงมาแต่ตอนทำอะไรไม่ได้ว่าไมายุบดิอุลบาิลูว่าไมอยุบรองรอยของชัยตอ น, นฉันไม่สามารถที่จะมีอิทธิพลเหนือมนุษย์ได้อิทธิพลทั้งหมดความสามารถทั้งหมดนั้น อัลลอฮ์สุบฮานะตะอัลลเป็นผู้ควบคุมนี่ค si, uh ือกฎเราต้องเชื่ออย่างนี้และเป็นสิ่งที่ท่านนบีประกาศย้ำต่อหน้าพวกมุชรินในสมัยของท่านและถูกย้ำมาจนถึงทุกวันนี้ในสมัยของเราด้วยอินชาอัลลอฮ์ قل إن ظللت فإنما ل على ه ت د ف ب إ ل ن ه سميع ق ر จงกล่าวเถิดมหฮัมมัดหากฉันหลงผิดฉันก็หลงผิดเพราะตัวฉันเองแต่ถ้าฉันอยู่แนวทางที่ถูกต้องนั่นก็เป็นเพราะพระเจ้าของฉันได้ส่งวายูส่งประทานวายูแก่ฉันแท้จริงพระองค์เป็นผู้สรงได้ยินผู้สงใกล้ชิดอายัดนี้หมายความวออ่ายังไงครับอายัดนี้เนี่ยในทั f s i อิมากะซีบ บ, บอกว่าไออัลขัยรุคุลฮู มิ่อินดิลลัตต้องการที่จะบอกว่าจริงๆแล้วฮิดายัดสัจธรรมความจริงเนี่ยมาจากอัลลอฮ์ใครก็ตามที่ได้รับฮิดายัดนั่นเป็นเพราะอัลลอฮ์ละให้เต้าฟกับเขาอัลฮัมดุลิลลัตขอุณท่าอัลลอฮ์ทุกวันนี้ที่เราได้เป็นมุสลิมเราจะกล่าวคําว่าอะไรเป็นเพราะเราเองไหมนะเป็นเพราะอัลลอฮ์ละช่วย เป็นพราะอะไรให้ให้ได้ยัดกับเราเป็นพราะอะไรอำนวยให้เต้าฟกับเรานี่คือสิ่งที่เราต้องกล่าวและสิ่งที่เราต้องรู้สึกฝ่าบิมาโยฮีอีเลรแต่ถ้าสมมุติสมมติสมมุติว่าวันหนึ่งอัลกียาดบิลละขออย่าให้มันเกิดกับเราคนที่รับอิสลามด้วยการช่วยเหลือจากโลกสภาเราแต่ละแล้วอยู่วันหนึ่งเผอิญว่าไปไปทางอื่นน่ะอะละทิ้งอิสลามหรือ จากคนดีๆคนมีศาสนากลายเป็นคนที่ไม่เอาศาสนากลายเป็นคนที่ทำมั่วสีดกลายเป็นคนที่ทำตัวเละเทะถามว่าอันนี้เป็นเพราะใครเราจะโทษใครปะอินเนมะอัลลิลุอัอันนี้เนี่ยมันเกิดมาจากพฤติกรรมของเราเองนี่คือมารายาทของคนที่เป็นผู้ศรัทธาและเวลาที่ใครทำผิด จะยกตัวอย่างมันอาจจะดูะยกตัวอย่างก็ได้สมมตุติวันนี้เนี่ยตะครูกับลูกศิษย์ตะครูนี่สอนให้ลูกศิษย์ทําดีลูกศิษย์ก็ตามตะครูทําดีตามตะครูอยู่มาวันหนึง่งวัล الله. นละยาอุบิลละนะอาอุบิลละอย่าให้มันเกิดกับเราก็แล้วกักนสมมตุติว่าตะครูของลูกศิษย์เนี่ยไปทําอะไรที่มันไม่เหมือนที่สอนลูกศิษย์อะ เป็นความผิดของใครลูกศิษย์ต้องรับผิดชอบด้วยไหมไม่ต้องรับผิดชอบความผิดนั้นใครต้องรับผิดชอบก็รับผิดชอบเป็นคนเดียวไม่ได้เกี่ยวกับลูกศิษย์เพราะฉะนั้นนี่คือสิ่งที่ท่านนาบีพยายามจะสื่อสารกับพวกมุสลิมพวกมุสลิมไม่ต้องกลัววันนี้ไม่ต้องกลัวว่าถ้ารับอิสลามแล้วอยู่มาวันหนึง่งอ่ามุฮัมมัดเนี่ยกลายเป็นอีกแบบหนึ่งเนี่ยแล้วคนที่รับอิสลามทั้งหมดจะต้องรับผิดชอบแทนมุฮัมมัด ไม่ต้องไม่ต้องไม่เกี่ยวอันนี้แค่สมมุตินะมันเป็นไปไม่ได้ที่ท่านนับีจะไปอยู่ในหนทางที่หลงผิดแต่เพื่อเป็นการรับประกันกับคนที่กําลังลังเลอยู่ว่าจะรับอิสลามหรือไม่รับอิสลามก็ต้องมารับผิดชอบอะไรต่างๆนะั้นนะไม่เกี่ยวถ้าสมมุติว่าฉันเองผิดฉันก็รับผิดชอบตัวฉันคนเดียวพวกท่านไม่ต้องมารับผิดชอบฉันพวกท่านก็อยู่บนเส้นทางของการศรัทธาต่อไปไม่มีปัญหาลออิินนดฟมาถ้าสมมติฉัน ต้องกลายเป็นชาวนารกฉันก็เข้านารกของฉันคนเดียวไอ้คนที่ยังอยู่นบนุนศรัทธาก็ไม่มีปัญหาอะไรนี่เป็นการให้ความรู้สึกว่าความรับผิดชอบในการเป็นผู้ศรัทธาเนี่ยมันเป็นเรื่องส่วนบุคคลเอาเวลาที่ใครมารับอิสลามไม่ต้องมารับผิดชอบนะใครที่มาฟังอัลกุรอานแล้วสมมุติไอ้คนที่สอนเนี่ยไปทําสิ่งที่มันผิดร้ายแรงไม่ต้องไม่ต้องมา ใดๆทั้งสิ้นอละาลาากษัพราชจะจัดการเขาเองตัวเองก็รับผิดชอบตัวเองไปเข้าใจเข้าใจการสื่อสารในในอายัดนี้ไหมครับต้องการให้ความรู้สึกว่าความรับผิดชอบทั้งหมดเป็นเรื่องราวส่วนบุคคลเราไม่ต้องไปยุ่งกับคนอื่นยุ่งกับตัวเองนี่ตัวเองยังไม่ได้รับพิญญาต์พยายามแสวงหาให้ตัวเองรับพิญยาต์ก็พอจะรับพิญญาต์จากใคร ก็แล้วแต่อัลฮัมดุลิลละแล้วสุดท้ายถ้าสมมติว่าคนที่เขามาสอนเรามาทำให้เราได้รับภิธีญเนี่ยเขาเปลี่ยนไปอย่างอื่นมันก็จบแล้วเรื่องนั้นคุณไม่ต้องอรับผิดชอบเขาคุณเข้าสวรรค์ของคุณไปให้เกิดความมั่นใจแลวจะได้ไม่ต้องมานั่งเลยว่าเฮ้ยเวลาที่เชื่อแล้วจะต้องรับผิดชอบอะไรเพิ่มเติมไหมนอกจากจะต้องจ่ายเงินค่าจ้างแล้วเนี่ยจะต้องมากลายเป็น คณาให้หรือเปล่าจะต้องกลายมาเป็นพยานให้หรือเปล่าตอหน้าอัลล์ุาตลนวันอคเครอไม่มีแต่ละคนรับผิดชอบกันเองในความศรัทธาของตัวเองนะครับเพราะฉะนั้นว่าฟีมาในอิยาลขาร์คุลลุฮฺมินอินดิลลาห์ว่ฟีมาอันซัลัลลอฮฺอัลลอวาเจลมินัลวะฮี وال ฮักอัลมุบีฟะฮวลฮดาวลยานวรรชาน ومنضلّ فإنما ي ض ل ل ُ م ِ ت ل ْ ق َ มีคําพูดของอับดุลลาฮ์อิบนาอัตสูดรดิยลลอฮุะนฺหูอันนี้คือมารยาทอย่างหนึ่งเหมือนกันเวลาที่เราพูดว่าอะไรอันไหนที่ถูกมันมาจากอัลลอฮ์ถ้าอันไหนที่มีผิดพลาดมาจากชัยตอนและมาจากตัวฉันเองเคยได้ยินไหมคําพูดแบบนี้นะอุสตาหลายคนโตครูหลายคนเวลาบรรยายหรือเวลาพูดอะไรถามว่าเป็นคำพูดที่ถูกต้องไหมเป็นคําพูดที่ถูกต้องเป็นมารยาทอย่างหนึ่งนะครับซึ่งเอามาจาก Nah, contoh Abdullah ibnu Mas'ud, walaupun ada orang bertanya, persoalan apa pun, Abdullah akan berkata, "Fatin ya kun, akuul fiha biragi." Nibitkan khabar ini, kawan-kawan. "Fatin ya kun sawaban kamil Allah." Bagaimana tu? Sedaya apa pendidikan, pengetahuan Allah. "Watin ya kun khatan kamilni wamil Syaitan." "Wallahu wa Rasuluh bari'ani minhu." ถ้ามันเป็นความผิดถ้าสิ่งที่ฉันพูดไปเป็นสิ่งที่ผิดแสดงว่ามาจากความบกพร่องของตัวฉันเองเป็นการล่อลวงของชายตอนนะอัลลอฮ์กับมอฮูลไม่ได้เกี่ยวขอาายอย้องอินนุสเมียอุนกอรีดอัลลอฮ์ต้รงอ่จบเืคําอัลลอลาให้พูดกับบรรดามู้ชลิกีนที่นี้ปิดท้ายสุรษจริงๆก็คือสีอายัดนี้สอายัดนี้ เป็นการสรุปภาพที่จะเกิดขึ้นในวันกิยามัตเพราะว่าสุรุตุสบะเป็นสุรถที่เรียกร้องพวกมุชริกีนให้ตระหนักถึงวันกิยามัตดังนั้นปิดท้ายด้วยภาพของวันกิยามัตจึงเป็นการปิดท้ายทีเหมะสมที่สุดฮะกเจ้าได้เห็นพวกเขา ตอนที่พวกเขาตื่นตระนกในวันเกียมัตฟาลาฟาุตไม่มีทางที่จะหนีรอดจากการลงโทษของอัลลอ์ในวันนั้นว่าอุคิซูมิมมาแกนีนการีบและพวกเขาก็จะถูกจับเอาไปจับไปไหนไปลงโทษมิมมาแกนีนการีบนรกนั้นอยู่ใกล้มากวันเกียมัตเนี่ยนรกไม่ได้อยู่ไกลเลยมนุษย์ทุกคนจะต้องเดินผ่านนารกแม้กระทั่งคนที่เข้าสวรรค์ก็ต้องผ่านนารกก่อน าตามสภาพอมมามันของตัวเองเพราะฉะนั้นไม่มีใครทางรอดไม่มีใครรอดทุกคนจะต้องผ่านเสีรอดหมายถึงว่าไม่มีทางรอดตรงนี้หมาถึง ฟ, ฟ้าเราเสิ้วจะจะหลีกหนีอ้อมได้ไหมไม่ขอผ่านเสีรอดขอขอบิ น, นถ้าสมัยนี้ก็คือผู้นาประเทศหนึ่งบินไปอเมริกาเนี่ยอ้อม <laughs> ไม่กล้า บ, บินตรงประเทศน่านฟ้าของบางประเทศเพราะกลัวโดนจับ กฎหมายบ้างเห็นข่าวใครตามข่าวบ้างาบินไปประเทศอเมริกาเนี่ยไม่ยอมไม่ยอมบินใช้น่านฟ้าปกติเพราะกลัวโดนสกัดแล้วก็โดนจับตามกฎหมายก็เลยอ้อมวันอคราตนี้อ้อมได้ไหมนะขอบินขอไปอ้อมไม่ผ่านซีออกขอไปทางอื่นแต่ละโฟลทไม่มีทางที่จะบินที่จะอ้อมที่จะรอดจากการลงโทษของลอสเวลล์แต่ละและนรกนั้นอยู่ใกล้มาก นรกนั้นพร้อมที่จะฉกนะฉกคนที่เป็นชาวนรกเนี่ยฉกลงไปในนรกได้เลยละฮอล้วเลากุรอะอิลลบิลลพอถึงวันนั้นอฺมนบิบันดาพวกมุชลิกีเนี่ยก็จะบอกว่าเราได้ศรัทธาต่อความจริงแล้วว أ َ ن َนาَ ه ُ م ُ ا ل ت َน ن َ ش ُ مِمَّا ك َ ع วัตตะลาก็ถามว่ามันเป็นไปได้อย่างไงที่บอกว่าวันนี้จะเป็นผู้ศรัทธาความศรัทธาจะมาหาได้อย่างไงวันนี้วันอะเครัสเนี่ยจบไปแล้วดุนียามันผ่านไปแล้วดุนียานี่มันอยู่ไกลจากอะเครัสไปแล้วนะพอมนุษย์ไปอยู่ในวันอะเครัสเนี่ยดุนียามิมมาแกนิมไบร์ตรงนี้เนี่ยหมายถึงดุนยาหมายถึงชีวิตที่ผ่านไปแล้วแล้วความศรัทธามันจะมาหาได้อย่างไรในเมื่อมันจบไปแล้ว นี่คือคําตอบนะบรรดาคนที่บอกว่าวันนี้ฉันขอศรัทธาต่อล l l a h ขอศรัทธาต่อความจริงอันนั่นละจะเป็นไปได้อย่างไรจะเป็นไปได้อย่างไรที่พวกเขาเรียกร้องว่าเป็นผู้ศรัทธาอยากจะเป็นผู้ศรัทธามิมมะคาริมบะอิดพวกเขาจะกลับไปศรัทธาในดุนยียได้อีกไหมไม่ได้แล้ว พระดุนญยามันผ่านไปไกลแล้วผ่านบารซัคมาแล้วผ่านไม่รู้ตั้งกี่ปีมาแล้วเราจะกลับไปศรัทธาได้อีกไม่ได้แล้วนี่คือความหมายของมั น, วมมนวพวกเขาจะเป็นผู้ศรัทธาได้ยังไงทั้งที่พวกเขาเคยกูฟรมาก่อนเคยปฏิเสธศรัทธามาก่อน และในภาษาไทยเนี่ยเขาแปลว่าอย่างไงพวกเขาคว้างทิ้งสิ่งล่นลับจากสถานที่อันไกลหมายถึงปฏิเสธในเรื่องที่เป็นสิ่งพ้นญาณวิสัยยาคซีฟูนับิลย่ยเนี่ยถ้าจะแปลให้มันตรงตามความหมายในตับซีดเนี่ยในตัซีดเนี่ยอธิบายว่าอย่างนี้ยากซีฟูนับิเล่ย์หมายถึงกล่าวหาใส่ร้าย ในสิ่งที่ตัวเองไม่มีความรู้กล่าวหา Allah ว่า Allah ไม่มีจริง Allah มีมีคู่พักีอะไรอย่างนี้เป็นต้น Allah มีอะไรนะมีชริกนู่นนี่นั่นอัจฉริยทีู่ดขึ้นมาเองจากหัวอันนี้คือยักฤโนะบลไกสไร้าย Allah سبحانه และ تعالى ไซร้ายท่านนบี صلى الله ว่าท่านนาบีเป็นคนบ้าว่าท่านนาบีเป็นนักสัยสาสตร์ว่าท่านนาบีเป็นหมอดูยาคดิฟูนบไปลเป็นความจริงไหมไม่ใช่ความจริงไปเอามาจากไหนก็ไม่รู้เพราะฉะนั้นคนอาหรับเนี่ยมันจะมีการใช้สำนวนนี้กับคนที่พูดโดยที่ไม่มีความรู้นะพูดอะไรออกไปรื้อเปลยโดยที่ไม่ได้มีหลักฐานอะไรทั้งสิน้นใช้คาว่ายาคดิฟูนบไปละไหมิมมาคานิมเบีด ท wow ี่ไม่ตรงกับความเป็นจริงเลยสักนิดนึ่งในมคานในเายิดนะที่ไม่ตรงกับความเป็นจริงนะคุณบอกว่าอย่างนี้มีมคานในเบยิดอีลาอิซาเบติลกาบ ولكن ไม่ทั ok ้งที ok ่จะขอศัทาในวันอาเคลรอตอนที่มีชีวิตอยู่ในโลกดุนญาเป็นยังไงไม่เคยมีไม่เคยมีความคิดที่จะเป็นผู้ศัทาตอนมีชีวิตอยู่ในโลกดุนญานาซ้ายังกล่าวหาใส่ร้ายใส่ร้ายอัลลอฮ์ซุบะฮะนวนบีซัลลาห์วะละหซัลลัม และปฏิเสธอย่างอย่าง mm hmm. เขาเรียกว่าอะไรนะเนี่แหละมี مكان นึงไปก็คืออย่างห่างไกลมากไม่เคยคิดเลยว่าจะมีวันอัคราสตอนที่อยู่ในโลกนี้ไม่อยู่ในหัวเลยแล้วอยู่ดีๆพอมาถึงวันอัคราสวันนี้ขอเชื่อวันนี้ขอขอเป็นผู้ศรัทธามันไปมันไปไม่ได้แล้วนะครับเอ่่วววะะีลบนมรหาางกข ว่า ب ะ ن م ا า ش ت و ن وعيلة بينهم وبينما ي ش รวกเขากับสิ่งที่พวกเขาต้องการนั้นมันถูกกั้นไว้แล้วสิ่งที่พวกเขาต้องการคืออะไรต้องการกลับตัวต้องการกลับไปอยู่ในดุนยาอีกครั้งต้องการเป็นผู้ศรัทธาอีกครั้งถามว่าทำได้ไหมไม่ได้แล้วเพราะว่าเราแตละปิดกั้นโอกาสนั้นแล้ว ค م ا فُعِلَ بِعَشْيَاعِهِمْ مِنْ قَبْلِ ดังเช่นที่ได้ถูกปฏิบัติมาก่อนแล้วกับพลพักของพวกเขาหมายถึงประชาชาติก่อนหน้านี้ไม่ว่าจะเป็นพวกนบีนูพวกนาบีอูดพวกนาบีซอาละหรือคนที่ทเป็นบันดาคนกุฟรมาก่อนหน้านี้สภาพจะอยู่แบบเดียวกันไม่ได้แปลว่าคนในสมัยอดีต เราแต่เาไมให้กลับมาอยู่ในโลกโดวเนี่ยแล้วมาถึงสมัยของยุคท่านนาบีมูฮัมมัดเนี่ยเขาแต่ละให้สิทธิพิเศษพวกมุสลิกินตายไปแล้วฟื้นขึ้นมาเป็นผู้ศรัทธาอีกไม่มีเหมือนกันหมดกฎเกณฑ์ข้อนี้ใช้ทุกประชาชาติใช้กับทุกประชาชาติสมัยนบีเนาะ ก, ก็เป็นแบบนี้สมัยนบีพูด ก, ก็เป็นแบบนี้ไม่มีใครสักคนหนึ่งที่สามารถกลับมาเตาบัตตัวอีกครั้งหนในโลกโดุงนี่จบแล้วก็คือจบ เพราะฉะนั้นตัดสินใจตั้งแต่ตอนที่มีชีวิตว่าจะมีชีวิตแบบไหนพอถึงวันอาคิราคุณไม่สามารถจะไปร้องเรียนต่อ Allah سبحانه และ ت ع า ل ى ได้อีกไม่มีทาง وحيلا بينهم و بينه شتهون كما فعل بأشياءهم من قبل إنهم كانوا في شك مريب พวกเขาตอนที่มีชีวิตอยู่ในโลกดุนยาเนี่ยอยู่ในความสงสัยอยู่ในความคลานแทง แล้วพอเจอกับวันอาคิรอห์จริงๆจะมาขอจะมาเรียกร้องกับ Allah سبحانه ละเป็นไปไม่ได้แล้วดังนั้นถ้าสมมติยังมีอะไรที่เป็นข้อสงสัยในโลกดุนยานี้ยังมีชีวิตอยู่ตอนนี้ยังไม่ตายตอนนี้แล้วมันยังมีอมอะไรบางอย่างที่ทำให้เราไม่เชื่อกับ Allah س ب ح ละ ت ع ا ل ตอนนี้รีบไปหา รีบไปแสวงหาสิ่งที่จะขจัดความลังเลออกจากวใจอย่าตายนอกจากอยู่ในสภาพที่เรายะกีนละ ولا ล م าวะอันตุมมุสลิม و ن อย่าตายนอกจากในสภาพที่มีความยะกีนว่าอัลลอฮ์สุบฮานอัตตะละคือพระผู้เป็นเจ้าที่แท้จริงและวันอัคเคลนั้นจะต้องมาหาอย่างแท้จริงอย่าตายในสภาพอื่นนอกจากในสภาพของการเป็นเบา ที่ปฏิญาณตนต่อล l l a h ซุลตานอัลตะาลาเท่านั้นถึงจะรอดพ้นในวันอัคิีระห์เพราะฉะนั้นพี่น้องครับนี่คือสุรทศะเป็นสุรทศที่เรียกร้องอย่างเข้มข้นให้มนุษย์สแสวงหาความจริงเกี่ยวกับวันอัคิีระห์พวกมุชริกีนเป็นตัวอย่างแล้วพวกก่อนหน้ายุคมุชริกีนก็เป็นตัวอย่างแล้วว่าพวกเขาดื้อ ย, อย่างไรและสุดท้ายบั้นปลายของพวกเขาเป็นอย่างไร ดังนั้นคนที่รู้เรื่องราวของพวกเขาอย่างพวกเราอย่าได้มีนิสัยแบบนั้นอย่าได้มีพฤติกรรมแบบนั้นแสวงหาความจริงด้วยใจที่ไม่มีอคติแล้วเราก็จะพบกับความจริงโดยที่มีความสงสยัยหรือลังเลอีกต่อไปอิมัลลอฮฺ سبحانه และ تعالى والله تعالى عالم الحمد ل ه ا ل ذ م ة تتم ا า ا ل ل ى الله ب ي ن ا محمد وعلى آله وصحبه ل م سبحان ربي ك ر ب العزة أما يسفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين والسلام عليكم ورحمة الله وبركات